ธรรมบทแปลเรื่องที่117เรื่องสุขสัมณีนภาคที่หเรื่องที่11อของวัคที่ส0ทันทวักวันนาข้อความเบื้องตน้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสุขสัมณนตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอุดังหิ นยันติเนติกาเป็นต้นตอนเรื่องคันทะเศรษฐีความพิสดารว่าในอดีตการมีบุทของเศรษฐีชาวเมืองพารณสีคนหนึ่งชื่อว่าคันทกุมานเมื่อบิดาของเธอถึงเก่กรรมแล้วพระราชาสั่งให้หาเธอมาเฝ้าปลอบโยนแล้ว ได้พระราชทานตาแหน่งเศรษฐีแก่เธอนั้นแลโดยสการะเป็นอันมากจำเดินแต่การนั้นมาคันทกกมารนั้นก็ได้ปรากฏนามว่าคันทเัเศรษฐีครั้งนั้นผู้รักษาเรือนคลังของเศรษฐีนั้นได้เปิดประตูห้องสําหรับเก็บทรับขนออกมาแล้วชี้แจงว่านายซั์นี้ของบิดาท่าน มีประมาณเท่านี้ของบุรภาพบรุษมีปู่เป็นต้นมีจํานวนเท่านี้เศรษฐีนั้นแลดูกล่องทรัพย์แล้วพูดว่าก็ทําไมบุรภาพบรรด์เหล่านั้นจึงไม่ได้ถือเอาทรัพย์นี้ไปด้วยผู้รักษาเรือนคลังตอบว่านายชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มีแท้จริงสัตว์ทั้งหลาย พาเอาแต่กุศลอกุศลที่ตนได้ทําไว้แล้วเท่านั้นไปตอนเศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆเศรษฐีนั้นคิดว่าบุรพาบุรุษเหล่านั้นพากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้วก็ละทิ้งไปเสียเพราะความที่ตนเป็นคนโง่เราจะถือเอาทรัพย์นั้นไปด้วย ก็คันท่าเสรษฐีไม่คิดอยู่อย่างนั้นมิได้คิดว่าเราจะให้ทานหรือจักทาการบุญคิดแต่ว่าเราจะบริโภคทรัพย์นี้ให้หมดแล้วจึงไปเศรษฐีนั้นได้สละทรัพย์แสนหนึ่งให้ทําซุ้มที่อยาบน้าอันแล้วด้วยแก้วผลึกจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทํากระดานสำหรับอาบน้ํา อันแล้วด้วยแก้ผลึกเหมือนกันจ่ายรับแสนหนึ่งให้ทำบัลลังก์สำหรับนั่งจ่ายรับแสนหนึ่งให้ทำถาดสำหรับใส่โภชนะจ่ายรับอีกแสหนึ่งให้ทำมนดบในที่บริโภคจ่ายรับแสนหนึ่งให้ทำเตียงรองถาดโภชนะให้สร้างสีห บ, บัญชรไว้ในเรือนด้วยรับแสนหนึ่งเหมือนกันได้จ่ายรับพันหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของตนจ่ายทรัพย์อีกพันหนึ่งแม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นแต่ในวันเพน็ญได้สั่งจ่ายทรับแสนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่โภชนาะในวันบริโภค์พัดนั้นท่านเศรษฐีได้สละทรับแสนหนึ่งตกแต่งพระนครใช้ให้คนเที่ยวตีกลองประกาศว่าได้ยินว่า มหาชนจงดูท่าทางแห่งการบริโภคพัดของคันธเศรษฐีมหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกันฝ่ายคันธเศรษฐีนั้นนั่งบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหนึ่งในสุ้มอาบน้ำอันมีค่าแสนหนึ่งอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอมสิบหกหม้อเปิดสีห บ, บัญชอ น, นั้นแล้วนั่งบนบันลังนั้นการนั้น พวกคนใช้วางถาดนั้นไว้บนเตียงรองนั้นแล้วโคดโพชนาอันมีค่าแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีอันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วบริโภคโภชนานั้นอยู่ด้วยสมบัติเห็นป่านนี้ตอนคนบรร น, นอกกระหายในพัดของเศรษฐีโดยสมัยอื่นคนบรร น, นอกผู้หนึ่ง บรรทุกฟืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมๆเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนสบียงอาหารสำหรับตนไปถึงพระนครแล้วก็พักอยู่ในเรือนของสหายก็การนั้นเป็นวันเพ็ญชนทั้งหลายเที่ยวตีกลองประกาศในพระนครมหาชนจงดูท่าทางบริพภคของท่านคันทัศเสรษฐีครั้งนั้นสหายจึงกล่าวกับชาวบ้านนอกนั้นว่าเพื่อนเนย ถ้าทางบริโภคพัดของคันทศเสถียรเพื่อนเคยเห็นหรือชาวบ้านนอกไม่เคยเห็นเลยเพื่อนสหายชาวเมืองตากระนั้นมาเถิดเพื่อนเราจะไปด้วยกันกรองนี้เที่ยวไปทั่วพระนครเราจะดูสมบัติใหญ่สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้ว แม้มหาชนก็ได้พากันขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่สหายชาวบ้านนอกพอได้สูดกลิ่นพัดก็พูดกับสหายชาวเมืองว่าการเกิดกระหายในก้อนพัดในถาดนั่นแล้วละ่ะสหายชาวเมืองอย่าปรารบก้อนพัดนั้นเลยเพื่อนเราไม่อาจจะได้ดอกชาวบ้านนอกเพื่อนเอ้ยเมื่อไม่ได้ก็จักไม่เป็นอยู่ สหายชาวเมืองนั้นเมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกนั้นไว้ได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทเปล่งเสียงดังสามครั้งว่านายฉันไหวท่านเมื่อคันทศเสรษฐีถามว่านั่นใครจึงตอบว่าผมครับนายเศรษฐีนี่เห็นอะไรกันสหายชาวเมืองคนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้ เกิดกระหายในก้อนพัดในถาดของท่านขอท่านกรุณาให้ก้อนพัดก้อนหนึ่ง เ, เถิดเศรษฐีไม่อาจจะได้ดอกสหายชาวเมืองคำของเศรษฐีเพื่อนได้ยินไหมเพื่อนชาวบ้านนอกกันได้ยินแล้วเพื่อนเออก็กันเมื่อได้จะเป็นอยู่เมื่อกันไม่ได้ความตายจักมี เสถียรชาวเมืองร้องอีกว่านายได้ยินว่าชายคนนี้เมื่อไม่ได้ก็จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดคันทเสถีทรคันผู้เจริญชื่อว่าก้อนพัดนี้ย่อมถึงค่าร้อยหนึ่งก็มี200ก็มีผู้ใดผู้ใดย่อมขอเมื่อให้แก่ผู้นั้นผู้นั้นฉันจากบริโภคอะไรเล่า สหายชาวเมืองนายชายคนนี้เมื่อไม่ได้จักตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดคันถ้าเสรฐีเขาไม่อาจได้ปล่าเปล่าก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จักไม่เป็นอยู่ไซชายคนนั้นจงทำการรับจ้างในเรือนของฉันสามปีฉันจักให้ถาดพัดแก่เขาถาดหนึ่งตอน ชาวชนบทยอมทําการจ้างในบ้านเศรษฐีชาวบ้านนอกฟังคำนั้นแล้วจึงพูดกับสหายว่าอย่างนั้นเอาละเพื่อนดังนี้แล้วได้ละบุตรและภรรยาเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีด้วยหมายใจว่าจะทําการรับจ้างตลอดสามปีเพื่อประโยชน์แก่ถาดพัทถัดหนึ่ง เขาเมื่อทำการรับจ้างได้ทำกิจทุกอย่างโดยเรียบร้อยการงานที่ควรทำในบ้านในป่ากลางวันกลางคืนได้ปรากฏว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อมหาชนเรียกเขาว่านายพัฒตาพัิกะคำนั้นได้ปรากฏไปทั่วพระนครการต่อมา เมื่อวันรับจ้างของนายพัตตาพติกะครบบริบูรณ์แล้วผู้จัดการพัดเรียนว่านายวันรับจ้างของนายพัตนาพติกะครบบริบูรณ์แล้วเขาทำการรับจ้างอยู่ตลอดสามปีทำกรรมยากที่คนอื่นจะทำได้แล้วการงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหายครั้งนั้นท่านเศรษฐี ได้สั่งจ่ายซับสามพแก่ผู้จัดการพัฒน์นั้นคือสองพเพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้ า, า, เชาของตนพันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายพัฒต์ปฏิกะนั้นแล้วสั่งคนใช้ว่าวันนี้พวกเจ้าจงทําการบริหารที่พึงทําแก่เราแกนายพัฒตะปติกะนั้นเถิดก็แลครั้นสั่งแล้ว จึงสั่งแม้กระชนที่เหลือเว้นภรรยาผู้เป็นที่รักนามว่าจินดามณีคนเดียวว่าวันนี้พวกเจ้าจงแวดล้อมนายพัตตาพติกะนั้นเกิดดังนี้แล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้แ ก, นกนนน่นายพัตตะภติกะนั้นตอนนายพัตตาพติกะเตรียมบริโภคพัดนายพัตตาพติกะนั้น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 ได้ถาดพัทถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขามหาชนได้ขึ้นเตียงสอนเตียงดูอยู่ที่ที่ชายชาวบ้านนอกแลดูแล้วแลดูแล้ ว, ลลวก็ได้ถึงอาการหวั่นไหวพวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายพัตตาพติกะนั้นผู้คนใช้ยกถาดพัทถาดหนึ่งตั้งไว้ข้างหน้าของนายพัตตาพติกะนั้นแล้ว ครั้งนั้นในเวลาที่นายพัตตาพติกะนั้นล้างมือพระประเจกับพระเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมบัติในวันที่เจ็ดแล้วใครครวนอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่ปิกษาจารย์ในที่ไหนหนอแลก็ได้เห็นนายพัตตภติกะแล้วครั้งนั้นท่านพิจารณาต่อไปอีกว่านายพัตตภติกะนี้ ทำการรับจ้างถึงสามปีจึงได้ถัดพัดศรัทธาของเขามีหรือไม่มีหนอใครครวรไปก็ทราบได้ว่าศรัทธาของเขามีอยู่คิดไปอีกว่าคนบางพวกถึงมีศรัทธาก็ไม่อาจเพื่อทําการสง่งเคราะห์ได้นายพัตตะพติกะนี้จกอาจหรือไม่หนอเพื่อจะทําการสง่งเคราะห์เรา ก็รู้ว่านายพัตตาภติกะจักอาทิเดียวทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการส่งเคราะห์แก่เราด้วยดังนี้แล้วจึงห่มจีวรถือบาทหอกขึ้นสู่เวหาดไปโดยระหว่างบริษัทแสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายพัตตาภติกะนั้นนั่นแลตอนนายพัตตาภติกะ ถวายพัดแต่พระประเจกับพุทธเจ้านายพระตับพติกะนั้นเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเราได้ทําการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึงสปีก็เพื่อประโยชน์แก่ถัดพัดถัดเดียวเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนปัจจบันนี้พัดนี้ของเราฝพื่อรักษาเราก็เพียงวันหนึ่งคือหนึ่ง ก็ถ้าเราจากถวายพัดนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าพัดจักรักษาเราไว้ไม่ใช่พันโกดกับเดียวเราจะถวายพัดนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าละนายพัดตัพติกานั้นทำการรับจ้างตลอดสามปีได้ถาดพัดแล้วไม่ทันวางพัดแม้ก้อนเดียวในปากเบื่นเทาความอยากแล้วยกถาดพัดขึ้นเองทีเดียว ไปสู่สำนักของพระประเจกับพุทธเจ้าให้ถาดในมือของคนอื่นแล้วว่ายด้วยเป็นจางคประดิษฐ์แล้วเอามือซ้ายจับถาดพัดเอามือขวาเกลี่ยพัดลงในบาดของพระประเจกับพุทธเจ้านั้นพระประเจกับพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาดเสียในเวลาที่พัดยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่งดังนั้นนายพัตตาพติกะนั้นเรียนท่านว่า ท่านขอรับพัดส่วนเดียวเท่านั้นผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งเป็นสองส่วนได้ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลยขอจงทำการสงเคราะห์ในปรรโลกเถิดผมจกถวายหมดทีเดียวไม่ให้เหลือตอนทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมากจริงอยู่ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่ง ชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือทานนั้นย่อมมีผลมากนายพัตับพติกะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นจึงได้ถวายหมดวหวอีกแล้วเรียนว่าท่านขอรับผมอาศัยถาดพัดถาดเดียวต้องทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึงสามปีได้เสวยทุกแล้วปัจนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผม ในที่ที่บังเกิดแล้วเถิดขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระประเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมคิดเหมือนแก้วสารพัดนึกความดําริอันให้ความใคร่ทุกอย่างจงบริบูรณ์แก่ท่านเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเมื่อจะทำอนุโมทนาจึงกล่าวว่า อิจิตังปัติตังตุยหั่งคิปเมวะสมิชตุสเบปูรนโตสั่งกปาจันโดปนระโซยท่าอิจิตังปฏิตังตุยหั่งคิปเมวะสมิชตุตสบเบปูเริโตสั่งกป า, ป า, า, าปปมณิโจติระโซยะธาติสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำเร็จพลันทีเดียวความดําริ์ทั้งปวงจงเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพลันทีเดียวความดําริ์ทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นดังนี้แล้วอธิฐานว่าขอมหาชนนี้จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาเถิด ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาศโดยอากาศแล้วถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่นั่นแหละพระประเจกับพุทธเจ้าไปภูเขาคันธมาศแล้วได้แบ่งบิณฑบาตนั้นถวายแก่พระประเจกับพุทธเจ้าหรอยรูปพระประเจกับพุทธเจ้าทุกๆรูปได้รับเอาพัดอย่างเพียงพอแก่ตนแก่ตนแล้วใครๆไม่พึงคิดว่า บินธบาตเล็กน้อยจะพอเพียงอย่างไรด้วยว่าอาจินไตสี่อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในอาจินไตสี่เหล่านั้นนี้ก็เป็นประเจกับพุทธวิสัยแลตอนคันธเศรฐีแบ่งทรัพย์ให้พัตตพติกะมหาชนเห็นบินธบาต ท, ที่พระประเจกับพุทธเจ้า แบ่งถวายแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ก็ได้พากันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้วเสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียงอสนิบาตคันทเสตถีได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงคิดว่านายพัตตะพัติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้เพระเหตุนั้นมหาชนนี้เมื่อทาการหดเล้อย่ จึงได้อื้อเฉาขึ้นท่านเศรษฐีนั้นส่งคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้วคนเหล่านั้นมาแล้วบอกว่านายขอรับธรรมดาผู้ทรงสมบัติย่อมเป็นเห็นปานนี้์ดังนี้แล้วจึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วนั้นเศรษฐีฟังเรื่องนั้นแล้วเป็นผู้มีสรีระอันปีติมีวันณะห้าถูกต้องแล้ว จึงคิดว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตาพติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากแล้วเราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นปานนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งใดได้ดังนี้แล้วจึงให้เรียกนายพัตตาพติกะนั้นมาแล้วถามว่าได้ยินว่าเธอทำกรรมชื่อนี้จริงหรือ เมื่อเขาตอบว่าขอรับนายจึงกล่าวว่าเอาเถิดเธอจงถือเอาทรัพย์0ันหนึ่งแล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้างนายพัตตาพติกะนั้นได้ทำตามนั้นแล้วแม้เศรษฐีก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นของของตนทั้งหมดแก่นายพัตตาพติกะนั้นตอนสัมปทาสี่อย่าง จริงอยู่ชื่อว่าสัมปทามีสี่อย่างคือวัตถุสัมปทาปัจจัยสัมปทาเจตนาสัมปทาคุนาติเรกสัมปทาในสัมปทาสี่อย่างนั้นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีควรแก่นิโรสมบัติผู้เป็นทกินยบุคคลชื่อว่าวัตถุสัมปทา การบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายโดยทมสม่ำเสมอชื่อปัจจัยสัมปทาความมีเจตนาในสามการคือในการก่อนแต่ให้ในการกำลังให้ในการภายหลังสัมพยุดด้วยยานอันกำกับโดยโสมนัสชื่อเจตนาสัมปทาส่วนความที่พระทักกินัยบุคคลออกจากสมาบัต ชื่อว่าคุณนาติเรกสัมปทาก็สัมปทาทั้งสี่อย่างคือพระประเจกับพทะเจ้าผู้ขี่นาศพเป็นทักษิเนยบุคคลปัจจัยที่เกิดแล้วโดยธรรมโดยความที่ทําการจ้างได้แล้วเจตนาบริสุทธิ์ในสามการพระประเจกับพทธเจ้าผู้พอออกจากสมาบัตเป็นผู้ยิ่งโดยคุณ สำเร็จแล้วแก่นายพัตับพติกะนี้ด้วยอนุภาพแห่งสัมปทาสีนี้นายพัตตาพติกะจึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นที่เดียวเพราะฉะนั้นนายพัตัาพติกะนั้นจึงได้สมบัติจากสำนักของเศรษฐีตอนนายพัตตาพติกะได้เป็นเศรษฐีในการต่อมาแม้พระราชา ทรงสดับกรรมที่นายพัตตาพติกะนี้ทําแล้วจึงได้รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้าและพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งทรงรับส่วนบุญทรงพอพระไทยพระราชทานโภคะเป็นอันมากแล้วก็ได้พระราชทานตําแหน่งเศรษฐีให้เขาได้มีชื่อว่าพัตตาพติกะเศรษฐีพัตตาพติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันทเศถี กินดื่มร่วมกันดำรงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกสเสวยสมบัติอันเป็นทิพพุทธันดรหนึ่งในพุทธ ป, ประบาทการนี้ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรเถระในเมืองสาวัตถีตอนนายพระตพติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถี ครั้งนั้นมารดาของทารกนั้นได้คันบริหารแล้วโดยล่วงไปสองถึงสามวันก็เกิดแพ้ท้องว่าโอ้หนอเราถวายโพชนาะมีรถหนึ่งรชนิดแก่พระสารีบุตรเถรรพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดแล้วถือขันทองนั่งอยู่นททายอาสนะ พึงบริโภคพัดที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายนั้นตั้งนี้แล้วทมตามความคิดนั้นนั่นแหละบรรเทาความแพ้ท้องแล้วนางแม้ในมงคลอื่นๆถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันคลอดบุตรแล้วในวันตั้งชื่อจึงเรียนพระเถระว่าจงให้สิขาบทแก่ลูกชายของฉันเถิดท่านผู้เริญ พระเถระถามว่าเด็กนั้นชื่อไรเมื่อมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าท่านผู้เจริญจำเดินแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิขึ้นชื่อว่าทุกไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้เพราะฉะนั้นนั่นแลคคำว่าสุขากุมารนั่นแลจักเป็นชื่อของเด็กนั้นจึงถือเอาคำนั้นแลเป็นชื่อของเด็กนั้น ได้ให้สิขาบทแล้วในการนั้นความคิดได้เกิดแก่มันดาของเด็กนั้นอย่างนี้ว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกชายของเราแม้ในการมงคลทั้งหลายมีมงคลเจาะหูเด็กนั้นเป็นต้นนางก็ได้ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันตอนสุขกุมารปัญปรชา ฝ่ายกุมารในเวลามีอายุเจ็ดขวบก็พูดว่าคุณแม่ผมอยากบวชในสำนักของพระเถระนางตอบว่าดีละพ่อแม่จะไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระให้ท่านฉันแล้วก็เรียนว่าท่านผู้เจริญลูกชายของฉันอยากบวชในเวลาเย็น จากนำเด็กนี้ไปสู่วิหารส่งพระเถระไปแล้วให้ประชุมพวกญาติกล่าวว่าในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นครือขัสพวกเราจะทา ก, รรกิจที่ควรทำในวันนี้แหละตั้งนี้แล้วจึงแต่งตัวลูกชายนำไปวิหารด้วยเิริโสภาอันใหญ่และมอบถวายแก่พระเถระ ฝ่ายพระเถระกล่าวกับสุขกุมาร น, นั้นว่าพ่อธรรมดาบรรพชาทำได้โดยยากเจ้าจากอาจเพื่ออภิรมหรือเมื่อตอบว่าผมจะทำตามโอวาทของท่านขอรับจึงให้กรรมฐานให้บวชแล้วแม้มานดาบิดาของสุขกุมาร น, นั้นเมื่อทำสการะในการบรรพชา ก็ถวายโภชนะมีรถหนึ่งร้อยชนิดแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในภายในวิหารนั่นเองตลอดเจ็ดวันในเวลายเย็นจึงได้ไปสู่เรือนของตนในวันที่8พระสารีบุตรเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต ท, ทากิจที่ควรทำในวิหารแล้วจึงให้สมณีนถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาท ต, ตอนสุขสามเณรฝึกตนสามเณรเห็นเหมืองน้ำเป็นต้นในระหว่างทางจึงถามพระเถระดุดสามเณรบัณฑิตแม้พระเถระก็พยากรแก่ยัสามเณรนั้นอย่างนั้นเหมือนกันสามเณรฟังเหตุ น, นั้นแล้วจึงเรียนพระเถระว่าถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไช้ กระผมพึ่งกลับเมื่อพระเถระไม่ทําลายอัธยาศัยของสัมปเนนั้นกล่าวว่าจงอาบาตและจีวรของฉันมารับบาตและจีวรไปแล้วก็ไหว้พระเถระเมื่อจะกลับจึงเรียนสั่งว่าท่านขรับท่านเมื่อนําอาหารมาเพื่อผมพึ่งนําเอาโฟชนะมีรสหนึ่งรชนิดมา พระเถระจักได้โภชนะนั้นจากไหนสามเณรเมื่อไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็จักได้ด้วยบุญของผมขอรับครั้งนั้นพระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรนั้นแล้วก็เข้าบ้านเพื่อบินธบาตสามเณร น, นั้นไปวิหารแล้วเปิดห้องของพระเถระเข้าไปแล้วปิดประตู นั่งอย่างยานลงในกายของตนแล้วด้วยเดชแห่งคุณของสั ม, มเนธนั้นอาสนะของเท้าส ก, กะแสดงอาการร้อนแล้วเท้าสกกะพิจารณาดูว่านี้เหตุอะไรหนอเห็นส ม, มเนธแล้วทรงดำริว่าสุขสา ม, มเนธถวายบาจีวอแก่อุปชาแล้วกลับด้วยคิดว่าจากทำสมณธรรม ควรที่เราจะไปในที่นั้นจึงรับสั่งให้เรียกท้ามหาราชทั้งสแล้วทรงส่งไปด้วยดำรัสสั่งว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงไปจงไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไปท้ามหาราชทั้งหลายนั้นกระทำตามนั้นแล้วก็พากันรักษาอยู่โดยรอบเท้าส ก, กัดทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่า พวกท่านจงยึดวิมานของตนของตนหยุดก่อนแม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็กระทำตามนั้นแล้วแม้เท้าส ก, กะเองก็รักษาอยู่ที่สายอยู่วิหารสงบเงียบปราศจากเสียงสามเณรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุมรรคและผลสามแล้วพระเถระอันสามเณรกล่าวว่า ท่านเพิงนำโภชนะมีรถหนึ่งรอชนิดมาดังนี้แล้วก็คิดว่าอันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครหนอแลพิจารณาดูอยู่ก็เห็นตระกูลอุปถามผู้สมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยตระกูลหนึ่งจึงไปในตระกูลนั้นอันชนเหล่านั้นมีใจยินดีว่าท่านผู้เจริญความดีอันท่านผู้มาในที่นี้ในวันนี้ กระทำแล้วรับบาดนิมนต์ให้นั่งถวายยาคูและของขบฉันอันเขาเชิญกล่าวทาชั่วเวลาพัทจึงกล่าวสารานิยธรรมคถาแก่ชนเหล่านั้นกำหนดการยังเทศนาให้จบแล้วตอนสุกสาเนีนบรรลุอรหัตทีนั้นชนทั้งหลาย จึงถวายโภชนะมีรถหนึ่งร้ชนิดแก่พระเถระนั้นเห็นพระเถระรับโพชนะนั้นแล้วพระสงฆ์จะกลับจึงเรียนว่าฉันเถิดขอรับพวกผมจกถวายโภชนะแม่อื่นอีกให้พระเถระฉันแล้วก็ถวายจนเต็มบาทอีกพระเถระรับโพชนะนั้นแล้วก็รีบไปวิหารด้วยคิดว่าสมณีนของเราจากหิว วันนั้นพระสัสดาเสด็จออกประทับนั่งในพระคันธ ก, กุฎีแต่เช้าตรู่ทรงรำพึงว่าวันนี้สุคสามนเณรรับบาดและจีวรของอุปชาแล้วกลับไปแล้วตั้งใจว่าจากทำสมณธรร ม, ม, รรมกิตของเธอสำเร็จแล้วหรือพระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้งสามเทียวอันสามนเณรบรรลุแล้วจึงทรงพิจารณาแม้ยิ่งขึ้นไปว่า สุขสามะมณีนี้จะอาจไม่หนอเพื่อจะบรรลุพระอรหัสต์ในวันนี้ส่วนพระสารีบุตรรับพัดแล้วก็รีบออกด้วยคิดว่าสามเมณีของเราจะหิวถ้าเมื่อสามณนนนีนี้ยังไม่บรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรจักนำพัดมาก่อนอันตรายก็จะมีแก่สาวะมณนี น, นี้ ควรเราจะไปยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูครั้นทรงดำริแล้วจึงเสด็จออกจากคันทกกุฎีประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูฝ่ายพระเถระก็นำพัดมาครั้งนั้นพระสัสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับพระเถระนั้นโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังแลในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สมนินก็บรรลุพระอรหันต์แล้วพระศัสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรจงไปเถิดจงให้พัดแก่สามนีนของเธอพระเถระไปถึงแล้วจึงเข้าประตูสมนีนออกมาทําวัดแก่อุปชาแล้วเมื่อพระเถระบอกว่าจงทําพัตกิจก็รู้ว่า พระเถระไม่มีความต้องการด้วยพัดเป็นเด็กมีอายุเจ็ดขวบบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนั่นเองตรวจตราดูที่นั่งอันต่ำทำพัตกิจแล้วก็ล้างบาทในการนั้นทามหาราชสีองค์ก็พากันเลิกการรักษาถึงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ปล่อยวิมานแมเทา้าวสกกาก็ทรงเลิกอารักขาที่อายอยู่ ประอาทิตย์ปรากฏคล้อยเลยถ้มกลางฟ้าไปแล้วเถี่ยวตอนบัณฑิตย่อมฝึกตนภิกษุทั้งหลายพากันพูดว่าการเย็นปรากฏสามเณรพึ่งทำพัฒกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เองทำไมหนอวันนี้เวลาเช้าจึงมากเวลาเย็นจึงน้อยพระสัสดาเสด็จมาตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยกล่าวเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าพระเจ้าค่าวันนี้เวลาเช้ามากเวลาเย็นน้อยสามเณรพึ่งฉันพัดเสร็จเดี๋ยวนี้เองก็แลเป็นฉไหนพระอาทิตย์จึงปรากฏคล้อยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทำสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนั้นนั่นแลก็ในวันนี้ท้ามหาราสีองค์ยืนอารักขาไว้โดยรอบพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่ท้าวส ก, กะทรงยึดอารักขาที่สายอยู่ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูวันนี้สุขสมัมมณีเห็นคนไขน้ำเข้าเหมือง ช่างสอนดัดสอนให้ตรงช่างถากถากทัพพสัมภาระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้วฝึกตนบรรลุพระอารหัสต์แล้วดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอุดกังหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตยจันน์ดารุงนมยันติตัชกาอัตตานังดมยันติ สุ ป, ปตาติอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุ ป, ปตาความว่าว่าง่ายคือเพื่อโง่ว่า พึงอนุาสาดโดยสะดวกคำที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วในหนหลังแหลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วดังนี้แหลเรื่องสุขสามาณีจบคันทวักวันานาจบวักที่สิบ